ปฏิบัติธรรมทำไมาการปฏิบัติธรรมนั้นทำเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายและเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายเป็นอย่างไรทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายเช่นความเจ็บไข้หรือเจ็บป่วย เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์มีความวิตกกังวลอยู่กับอาการเจ็บป่วยอาการผิดปกติทางร่างกายทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจเป็นอย่างไรทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจเช่นความขุ่นมัวความเศร้าหมองหดหู่ความเศร้าสลดความโกรธความอึดอัดขัดเคืองความอาฆาตพยาบาทความไม่ได้ดังใจ ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆเหล่านี้เป็นต้นความทุกข์ทางร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ความเจ็บป่วยในรูปแบบต่างๆความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางที่ตนเองไม่พึงประสงค์ อันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบยากที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะคนเราทุกคนไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตนดังนั้นคนเราทุกคนจึงเป็นทุกข์อยู่กับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์อยู่กับความแปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับตนเองทุกทางใจ โดยธรรมชาติของใจคนเรานั้นว่างปาเปล่าเบาสบายแต่อยู่ๆความผิดปกติก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาในใจของเราเช่นบางครั้งก็มีความไม่พอใจปรากฏขึ้นในใจเราทําให้ใจเราไม่ว่างเปลา่าไม่เบาสบายบางครั้งก็มีความอึดอัดขัดเคืองต่อสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นในใจเราทําให้ใจเราไม่ว่างเปลา่าไม่เบาสบาย บางครั้งก็มีความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาปรากฏขึ้นในใจเราทำให้ใจเราไม่ว่างเปล่าไม่เบาสบายบางครั้งก็มีอารมณ์ดีอารมณ์เสียเข้ามาปรากฏขึ้นในใจเราทำให้ใจเราไม่ว่างเปล่าไม่เบาสบายบางครั้งก็มีความคิดนิตกังวลในเรื่องต่างๆเข้ามาปรากฏขึ้นในใจเราทำให้ใจเราไม่ว่างเปล่าไม่เบาสบาย ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเหล่านี้ทําให้ใจของเราไม่ว่างเปล่าไม่เบาสบายทําให้ใจของเราไม่ปกติและถ้าเราเฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมในใจของเราในขณะที่ตาเราเห็นสิ่งต่างๆในขณะที่หูเราได้ยินเสียงต่างๆในขณะที่จมูกเราได้รับรู้กลิ่นต่างๆในขณะที่ลิ้นเรา ได้สัมผัสรสชาติต่างๆในขณะที่เนื้อหนังของเราได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆในขณะที่ความนึกคิดต่างๆปรากฏขึ้นในใจของเราถ้าเราเฝ้าสังเกตดูใจเราอยู่เสมอเราจะเห็นว่าในใจเรานั้นมีความปกติมีความแปรปรวนมีความขุ่นมัวมีความเศร้าหมองวิตกกังวลความไม่ได้ดังใจ มีความอึดอัดความขัดเคืองใจและมีอาการอื่นๆอีกมากมายปรากฏขึ้นในใจของเราอาการหรือปรากฏการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในใจของเราทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ทาให้ใจเราผิดปกติไม่ว่างเปล่าไม่เบาสบายเราจึงควรฝึกฝนจิตใจให้จางคลายจากทุกข์ เพื่อไว้ใช้งานและเพื่อความสุขความสงบความสบายของตนของครอบครัวและสังคมเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับความเป็นไปของสภาวะจิตเพื่อให้ความทุกข์ทางใจลดน้อยลงไปตามระดับเอาความสุขเข้ามาแทนที่ความทุกข์การฝึกจิตจิตใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สมาธิ ผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกฝนให้ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์โปร่งโลง่งเบาสบายอารมณ์ปิติอารมณ์สุขอารมณ์อุเบกขาเกิดขึ้นในใจตนให้ได้ก่อนเพื่อให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาแทนที่ความทุกข์ในชีวิตประจําวันแต่พอตอนปลา ย, ลายเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงของสภาวะจิตสภาวะอารมณ์ต่างๆได้กระจ่างด้วยปัญญาแล้วสิ่งค่อยสลัด หรือปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นให้หลุดพ้นไปจากใจเมื่อนั้นใจก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่าปราศจากอารมณ์เพราะอารมณ์ติติอารมณ์สุขก็คือทุกอย่างละเอียดที่จะต้องปล่อยวางเช่นกัน เทนการปฏิบัติให้ทุกอย่างคลายพอรู้ทันความคิดก็จะหายไปชั่วขณะหนึ่งพอรู้ทันอารมณ์ก็จะหายไปชั่วขณะหนึ่งการสะกดใจไว้ไม่ให้ความคิดเกิดและอารมณ์เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะต้องปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าเมื่อใดรู้ว่าความคิดและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นให้ทำความรู้สึกตัว ท, ทันทีวิธีทำความรู้สึกตัวคือการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ท, าทันทีหรือเปลี่ยนอิริยาบถทันที ท, ทันใดเช่นเมื่อรู้ว่าเกิดความคิดขึ้นในใจให้กระพริบตาแรงๆและปล่อยใจว่างเปล่าไปหรือเคลื่อนไหวมือ เท้าบิดตัวจะเคลื่อนไหวร่างกายลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได้แล้วปล่อยวางให้ใจว่างเปล่าไปเป็นคลาวลาวเมื่อความนึกคิดเกิดขึ้นอีกก็ให้ใช้วิธีทําความรู้สึกตัวแบบเดิมอีกจนชํานาญกรณีที่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในใจก็เช่นกันให้เคลื่อนไหวอวัย ว, วะร่างกายตามความรุนแรงของอารมณ์นั้น การกระทำเช่นนี้เรียกว่าใช้ความเคลื่อนไหวทางร่างกายละลายปัญหาทางจิตเมื่อทาเช่นนี้บ่อยๆจนชำนาญปรากฏการทางจิตอันว่างเปล่าเบาสบายก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปบังคับใจหรือกดข่มอารมณ์ไว้ใจเราก็จะว่างเปล่าเบาสบายมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ สมาธิคืออะไรสมาธิคือสภาพที่ใจตั้งมั่นสมาธิแบ่งเป็นสองลนะักษณะได้แก่หนึ่งสมาธิเชิงฌานหรือเชิงอภิญญาหรือสมถกรรมฐานหรือความสามารถพิเศษทางจิตหรือจิตเก่งๆทั้งหลายสสัมมาสมาธิคือวิธีของสติสัมปชัญญะ มีสติเข้าไปรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์จนกระทั่งทุกทำอะไรใจไม่ได้หรือเรียกว่าใจตั้งมัน่นว่างเปล่าปราศจากทุกสมาธิเชิงชาญหรือเชิงอภิญญาหรือสมถกรรมมัตถานเป็นอย่างไรสมาธิในลักษณะนี้คือสภาพที่จิตใจตั้งมัน่นโล่งร่วงเบาสบายและประกอบด้วยอารมณ์ปิติอิ่มเย็นปรากฏอยู่ในใจของตน มีลักษณะหนึ่งสภาพที่จิตใจตั้งมั่นโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขจิมเอิบอยู่ในใจตนแต่อารมณ์ปิติหายไปเหลือแต่สุขนี้ลักษณะหนึ่งสภาพจิตใจที่ตั้งมั่นโปร่งโล่งเบาสบายมีความสว่างสวยตั้งมั่นแนบแน่นอยู่ภายในใจแต่สภาพกายภายนอกหายไป หมายถึงจิตไม่รับรู้เรื่องภายนอกไม่สนใจอารมณ์ภายนอกมีแต่ความสงบความนิ่งเฉยโปร่งเบาแนบแน่นอยู่ภายในนี่ลักษณะหนึ่งสัมมาสมาธิหรือวิธีของสติสัมปชัญญะสัมมาสมาธิหรือวิธีของสติสัมปชัญญะคือมีสติเข้าไปรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่ก่อเกิดอยู่ในใจจนกระทั่งทุกทําอะไรใจไม่ได้ หรือเรียกว่าใจตั้งมั่นว่างเปล่าปราศจากทุกข์พอรู้ทันทำให้มันหายไปตัวทำให้มันหายไปนี้คือการทำความรู้สึกตัวหรือสัมปชัญญะ ใจกระบวนการเกี่ยวพันของกายและจิตใจหนึ่งรูปกายร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกาย 2. ความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกสัมผัสขณะจิตแรกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 3. ความจำได้หมายรู้ขณะจิตตัวที่สองสี่ ความนึกคิดต่างๆขณะจิตตัวที่สามห้าความรู้สึกที่ประกอบด้วยอารมณ์อันเป็นผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากความนึกคิดเช่นคิดและเครียดคิดและสบายใจขณะจิตตัวที่สี่คนที่มีชีวิตประกอบด้วยร่างกายและจิตใจคนที่ตายแล้วมีแต่ร่างกายที่ปราศจากจิตใจถ้าจะนับเปรียงดังนี้หนึ่ง จากรูปกายร่างกายอวัยวะต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นมารับรู้สึกรู้รับรู้สึกสัมผัสแล้วก็ดับซึ่งเป็นขณะจิตแรกความรู้สึกรับรู้รับสัมผัสตัวอย่างเช่นทางกายก่อเกิดขึ้นมารับรู้สึกร้อนเย็นแล้วก็ดับลงไปทางตาก่อเกิดขึ้นมารับรู้สึกเห็นแล้วก็ดับลงไปทางหูก่อเกิดขึ้นมารับรู้สึกได้ยินแล้วก็ดับลงไป ทางจมูกก็เกิดขึ้นมารับรู้สึกกลิ่นต่างๆแล้วก็ดับลงไปทางลิ้นก็เกิดขึ้นมารับรู้สึกรสต่างๆแล้วก็ดับลงไปสองลำดับถัดมาต่อจากขณะจิตแรกที่เรียกว่าความรู้สึกรับรู้ก็จะเป็นขณะจิตที่สองที่เรียกว่าความจำได้หมายรู้เช่นจำได้ว่ามีวัตถุอะไรมากระทบสัมผัสเสียดสีกายขณะนั้น รู้สึกร้อนเย็นมีความจําและหมายรู้ว่าเป็นอะไรเข้ามาทํางานร่วมด้วยต่อเนื่องจากขณะดจิตแรกที่ก่อเกิดขึ้นมารับรู้สึกรู้แล้วก็ดับลงไปเช่นเดียวกับความรู้สึกเห็นจําได้ว่าเห็นอะไรแล้วก็ดับลงไปความรู้สึกได้ยินจําได้ว่าได้ยินอะไรแล้วก็ดับลงไปความรู้สึกได้กลิ่นจําได้ว่าได้กลิ่นอะไรแล้วก็ดับลงไปความรู้สึกรสต่างๆ จำได้ว่ารับรสอะไรแล้วก็ดับลงไป 3. เมื่อจําได้ว่ามีอะไรมากระทบสัมผัสเสียดสีกายแล้วเช่นเดียวกับเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสก่อเกิดความนึกคิดปรุงแต่งว่าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเป็นขณะจิตที่สามเข้าร่วมทํางานด้วยแล้วความนึกคิดปรุงแต่งณขณะจิตนั้นก็ดับลง เมื่อความนึกคิดปรุงแต่งเข้ามาร่วมทํางานด้วยแล้วจะทําให้เกิดปฏิกริยาทางจิตใจอีกชนิดหนึ่งคือ 4. ความรู้สึกที่ประกอบด้วยอารมณ์เกิดต่อจากความนึกคิดปรุงแต่ง ท, ทันทีเป็นขณะจิตที่4เช่นรู้สึกชอบใจรู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกเครียดรู้สึกสุขรู้สึกเป็นทุกข์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งณนะขณะจิตนั้นๆซึ่งเกิดชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วดับลงไปเหมือนกัน ใจหรือประตูใจใจจําอาการสุขทุกข์ทางใจทั้งหลายทั้งปวงแล้วนํามานึกคิดปรุงแต่งใหม่ก็ให้เกิดสุขทุกข์ทางใจขึ้นมาใหม่อีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้นใจจําเหตุการณ์ ต, าต่างๆที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนั้นหรือเหตุการณ์นั้นมันจบไปแล้วหรือจบไปนานแล้วแต่ใจนํามาคิดปรุงแต่งอีกก็ให้เกิดอารมณ์สุขทุกข์ เครียดความไม่สบายใจความสบายใจขึ้นมาใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ใจนึกคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวที่ยังไม่มีไม่เกิดไม่เป็นขอให้เกิดใจเป็นสุขเป็นทุกข์เครียดสบายใจไม่สบายใจไม่รู้จักจบสิน้นวนเวียนอยู่อย่างนี้ นิจงอนัตตาเรามาปฏิบัติธรรมกันทําไมเพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เรารู้ว่าใจเรามันอึดอัดขัดเคืองชีวิตเต็มไปด้วยความไม่น่ามีความไม่น่าเป็นทําไมสภาพใจเราเป็นอย่างนี้เราทุกข์แล้วใช่ไหมเรารู้ว่าใจเรามีปัญหาอย่างนี้เรียกว่าทุกข์แล้วจะทําอย่างไรที่จะออกจากทุกข์ทุกข์นั้นก็ไม่เที่ยง เป็นอนิจจังแล้วจะออกจากทุกข์ได้โดยใช้หลักอนัตตาอย่างไรหลักอนัตตาคืออย่างไรอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่ตั้งอยู่จริงแต่ตัวตนเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยเห็นว่าธรรมชาติอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเห็นมันดับเพราะเหตุปัจจัยดับ ที่จะทําให้ทะลุสัจธรรมถึงที่สุดคือเห็นตามความเป็นจริงและทําความเข้าใจว่าชีวิตที่เป็นทุกข์มันมีเหตุปัจจัยจากอะไรเช่นเรารู้สึกไม่พอใจเมื่อได้ยินเสียงการได้ยินเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรเสียงกระทบหูทําให้เกิดการได้ยินใจให้ความหมายเกิดอารมณ์ไม่พอใจ ความไม่พอใจเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ฉะนั้นความไม่พอใจนี้เกิดแต่เหตุปัจจัยความไม่พอใจนี้ไม่ใช่ของใครเหตุปัจจัยที่ทรงกระทบเป็นแดนเกิดที่ทำให้เกิดกระแสทุกข์หรือกระแสปฏิจจสมุ ป, ปบาทตัวเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวทุกข์แต่เป็นแดนเกิด เมื่อเห็นว่าเป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติแล้วก็ไม่เข้าไปยึดต้องเห็นและเข้าใจในสิ่งที่เห็นไม่เช่นนั้นจะไม่คลายจากความเป็นตัวตนตัวอย่างเช่นชีวิตทางหูการรู้สึกได้ยินเกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไรเสียงกระทบระบบประสาทหูทำให้เกิดการได้ยินขึ้นแต่พอเสียงหายไปการได้ยินก็ดับ หรือหายไปชีวิตเกิดแต่ละขณะตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ชีวิตที่ตั้งอยู่อย่างนิรันดร์ทีนี้เมื่อเห็นชีวิตเกิดดับตามเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วใครเป็นผู้ทุกข์ล่ะเพราะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่ตั้งอยู่จริงๆแล้วใครเป็นผู้ทุกข์เล่าที่มันทุกข์มันทุกข์คือกูทุกข์มันไม่ใช่ธรรมชาติ มันเป็นการค้นหาตัวเองว่าตัวกูมีอยู่หรือเปล่าถ้าทะลุตรงนี้จะเข้าใจคำว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่ตั้งอยู่จริงๆแต่สิ่งทั้งหลายเกิดและดับเพราะเหตุปัจจัยนี่คือธรรมชาติชีวิตของคนเกิดได้กี่ทางชีวิตของคนเกิดได้หกทางแต่ละทางมีเหตุปัจจัยของมัน ถ้าฉะนนั้นตัวตนจริงๆมีหรือไม่ชีวิตที่เราพูดเป็นรูปร่างหน้าตาไม่ใช่แล้วมันเป็นชีวิตทางหูชีวิตทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันจะคลายความเข้าใจผิดคลายความหลงที่ยึดติดยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตา ปัญญสติคือตัวรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นพอเกิดอะไรขึ้นในใจหรือเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกเรารู้ทันพอรู้ทันเรียกว่ามีสติแต่พอเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกในใจเราเราไม่รู้นั่นเรียกว่าเราขาดสติสัมปชัญญา คือการทำความรู้สึกตัวทำให้ตัวเองตื่นจากความคิดหรืออารมณ์นั้นๆเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติของใจโดยภาวะที่เมื่อรู้ทันแล้วให้ทําการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นกระพริบตากำมือขยับตัวเพื่อออกจากความคิดและอารมณ์ต่างๆรู้ทันอะไรรู้ว่าอะไรกำลังเกิดในใจเรากำลังเกิดอารมณ์อะไร เกิดปฏิกิริยาอะไรในความรู้สึกเราขอให้เรารู้รู้เท่าทันว่าตอนนี้กําลังเกิดและที่เกิดต้องการไหมถ้าต้องการก็ให้มันเกิดต่อไปแต่ถ้าไม่ต้องการก็รีบปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ต้องการก็จะหายไปมันจะแทนที่อยู่แต่ละขณะความรู้สึกทางจิตนั้นๆคําว่ามีสติ คือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าใจเราไม่ปกติรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดฟุ้งซ่านรู้อย่างนี้เรียกว่าเรามีสติเรากำลังคิดฟุ้งซ่านแล้วถ้าเราไม่รู้เรียกว่าเราขาดสติขอให้รู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นใจเราผิดปกติไหม หรือใจเราเป็นปกติสบายดีอยู่ก็รู้อยู่ถ้ากำลังฟุ้งซ่านก็พยายามพลิกแผงแก้ไขตอนนี้กาลังอารมณ์เสียก็พยายามพลิกแผงแก้ไขตอนนี้กาลังง่วงอยากจะหลับก็รีบพลิกแผงหาวิธีแก้ไขคือเรารู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่รู้อยู่เรียกว่ามีสติถ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่คิดที่จะแก้ไขเรียกว่าปล่อยไปตามยถาครรมเทคนิคในการปรับเปลี่ยนเทคนิคในการปรับเปลี่ยนโดยทำความรู้สึกตัวเช่นกระพริบตาแรงๆกำมือยกมือยกแขน บิดเนื้อบิดตัวกระดิกแขนกระดิกขาไม่จำกัดวิธีการทำอย่างไรก็ได้ให้มันหายไปจากใจเราหายไปจากความรู้สึกเราตัวรู้ทันเรียกว่าสติตัวอย่างเช่นตอนนี้กำลังโมโหก็รู้นี่เรียกว่ามีสติพอขยับร่างกายความโมโหก็หายไปมีสติก่อนการกระทำทีหลัง ใจเราก็จะค่อยๆสบายมากขึ้นตามลำดับสิ่งที่เข้ามาปนมาคลุกคล้าอยู่ในใจหรืออยู่ในความรู้สึกเราก็จะค่อยๆจางคลายหายไปสิ่งที่เข้ามาคลุกคล้าในใจเราเรียกว่าทุกข์หรือกิเลสเราต้องการเอาทุกข์หรือสิ่งที่คลุกคล้าในใจที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปให้เหลือแต่ความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ว่างเปล่าเบาสบาย ไม่มีสิ่งอื่นคลุกคล้าปนอยู่ในความรู้สึกนั้นๆเลยอย่างนี้เรียกว่าใจมีอิสระทุกทําอะไรใจไม่ได้ในขณะนั้นๆพอเกิดอะไรขึ้นในใจรีบทําความรู้สึกตัวอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติขณะที่อะไรเกิดขึ้นในใจเรารีบทําความรู้สึกตัวรีบปรับเปลี่ยนรีบแก้ไขให้อาการที่ไม่ดีเหล่านั้นมันหายไป ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขใครจะมาทำให้เรามันเป็นเรื่องในใจเราคนอื่นมาทำให้เราไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นในใจรีดทาความรู้สึกตัวปรับเปลี่ยนให้หมดให้เหลือแต่ความรู้สึกเปล่าๆขยับเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่กดไว้ไม่ใช่พอจะคิดก็กดไว้พอจะเกิดอารมณ์ก็กดไว้อย่างนี้ผิด ให้ทำความรู้สึกตัวอย่าไปกดใจตัวอย่าไปกักใจตัวเองหรือความรู้สึกตัวเองไว้ให้สังเกตแค่ความรู้สึกเท่านั้นเ <_ US> <ใ>ช่นรู้สึกเย็นก็รู้ว่าเย็นไม่คิดอะไรต่อจากรู้สึกเย็นถ้ามีความคิดเข้ามาแสดงว่ามีบางอย่างเข้ามาแล้วเย็นก็รู้ว่าเย็นร้อนก็รู้ว่าร้อนลมพัดมาถูกตัวก็รู้ว่าลมพัดมาถูกตัว ก็รู้อยู่แล้วไม่มีอะไรต่อพอเรารู้สึกอะไรต่างๆความคิดจะเข้ามาทันทีระวังตรงนี้พอมันจะคิดอะไรมั่วๆเริ่มทำความรู้สึกตัวให้ใจว่างเปล่าจากสิ่งที่จะเข้ามาปนอยู่เรื่อยความรู้สึกหรือใจทุกคนมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ใจไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งแต่มันเกิดเกิดดับดับอยู่ในตัวเรานี้ พอรู้เท่าทันความคิดครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็คิดใหม่อีกซึ่งมันก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ไม่คิดแต่พอเรารู้ทันเราจะเห็นช่องว่างระหว่างคิดตัวแรกกับคิดตัวหลังมันมีช่องว่างมันมีรอยต่อของมันต้องการไม่เห็นตรงนี้ระหว่างคิดกับคิดมันมีช่องว่างอยู่คนไม่เคยเห็นว่างระหว่างคิดกับคิด ไม่เคยเห็นว่างระหว่างคิดกับอารมณ์ต้องการให้เห็นอันนี้ว่าใจไม่ได้มั่วอยู่ตลอดมันมีใจที่ว่างเปล่าอยู่เราไม่เคยเห็นสภาพใจที่ว่างเปลา่าเราเห็นแต่คิดกับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาใจที่ว่างเปล่าเบาสบายโดยไร้ความคิดหรือความคิดอ่อนแรงลงไปหรืออารมณ์แผ่วเบาลงไปเราไม่เคยเห็นเลย มันจะเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเมื่อความคิดหายไปเมื่ออารมณ์หายไปจากใจถ้าถามว่าความคิดมีไหมตอบว่ามีอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไรเราไม่ต้องการให้มีมันหายไปได้ทันทีตามความต้องการ ทำอย่างไรให้เห็นความคิดเราจะพูดอะไรให้หยุดสักประเดี๋ยวแล้วมาตั้งหลักว่าเมื่อกี้เราจะพูดอะไรเราหยิบตัวที่คิดจะพูดอะไรเมื่อกี้นี้มันมีไหมมันหายไปไหมลองเบรกตัวเองอย่างนี้สักอึดใจหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดเช่นเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พอคิดแว บ, บขึ้นมาหยุดตั้งหลักก่อนเมื่อกี้คิดถึงเพื่อนมันหายไปไหนแล้ว ความคิดมันมีตัวตนหรือไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปไหมต้องการให้เห็นอันนี้ให้เห็นความจริงอันนี้ไม่เช่นนั้นเราก็จะถูกความคิดลากไปไม่มีวันหยุดเราเข้าไปอยู่ในความคิดหมดถูกความคิดมันบงการอยู่ตลอดเวลาเราต้องการให้ออกจากความคิดปรุงแต่งนี้และระหว่างคิดกับคิดสองขณะมันมีช่องว่างอยู่ ต้องการให้เห็นช่องว่างที่ไม่คิดในขณะนั้นให้ได้ให้เข้าใจว่าใจที่ว่างๆอยู่มันก็มีไม่ได้เต็มไปด้วยความคิดเสมอไปใจไม่ได้เต็มไปด้วยความขุ่นมัวความสับสนอลมานเสมอไปใจหรือความรู้สึกเปล่าๆก็มีอยู่อย่าไปจ้องดูความคิดว่าเมื่อไรความคิดจะเกิดเพราะนั่นคือคิดตลอดเวลาว่าเมื่อไรคิดจะมา มันคิดแผ่วๆอยู่ในใจว่าเมื่อไรมันจะโกร่หน้ามานั่นแหละนั่งคิดอยู่ในใจตลอดเวลาทำให้ความคิดหายไปทำให้อารมณ์หายไปความว่างจะปรากฏขึ้นเองพอมันคิดก็รู้ทันพอรู้ทันความคิดความคิดก็จะแวบหายไปจากใจเราหายไปจากความรู้สึกเราพอรู้ทันอีกมันก็จะหายไปทำอยู่แค่นี้ไม่ใช่ไปนั่งเคลียใจให้ว่าง นั่นนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาเอาความคิดออกไปเอาอารมณ์ออกไปแล้วความว่างก็จะปรากฏขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องทําความว่างความว่างมีอยู่แล้วไม่ต้องทําเอาที่วุ่นๆออกไปเท่านั้นความว่างก็จะปรากฏมาเอง